เรื่องธรรมิกถาหน้าเชิงตะกอนตอนที่หนึ่งโดยประอาจารย์สมพบโชติปัญโยผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทางหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในะโอกาสนี้ช่วยเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาป า, าทกรทาธรรม อภ น, นคําสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วคอยทานต่างรายจึงได้ต่างอกต่างใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นาไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่พระศาสนาเสื็ต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ ก, การกาวทำนี้กระถาอมจะพึงมีขึ้นในวันนี้นั้นคอยท่านทั้งหลายที่ได้มารวมกันที่นี่จงถือว่าเป็นกรณีพิเศษปาลครบเหตุที่เราท่านทั้งหลายเดบมากันในงานศพอาตอมาเองก็ได้มากับท่านทั้งหลายด้วยคอยท่านทั้งหลายจงคิดว่าวันนี้เรามาเข้าโรงเรียน ไม่ใช่โรงเรียนเด็กน้อยแต่เป็นโรงเรียนชีวิตที่ทุกๆคนจะต้องมาเรียนรู้มารับรู้จะรู้ก็าตามไม่รู้ก็าตามจะรับรู้ก็าตามหรือไม่รับรู้ก็าตามแต่สิ่งนี้จะเป็นอย่างนี้ท่านคงจะมองเห็นโลงศพที่ตั้งอยู่ตรงนี้จุดไฟไว้ทั้งวันให้เราเห็นนี้ นี่คืออะไรนี่คือเครื่องมือของการศึกษาชีวิตเป็นการเรียนรู้ชีวิตฉากสุดท้ายของชีวิตชีวิตนั้นเริ่มต้นโดยการเกิดแล้วก็เดินทางจากเกิดมาโศความเจ็บไข้ความแก่และความตายเมื่อนานจะได้มีโอกาสมาในงานอย่างนี้คนทั้งหลายมักจะพูดว่างานศพเป็นงานอัปมงคลงานอวมงคล แต่พระอริยเจ้าผู้มีสติผู้มีปัญญาท่านถือว่างานศพงานมาพบคนตายมาเห็นคนตายนี่ถือว่าเป็นสิริมงคลเงินความงามมีอยู่ตามหมู่สรากผีแต่มาพบสิ่งที่งามชีวิตที่จะงดงามนั้นจะต้องมีสิ่งแต่สิ่งหนึ่งมาทําให้มันงามต้นไม้จะงามมีน้ํามีปุ๋ยชีวิต จะงามก็มีประสบการณ์ทางสติปัญญาขอให้แตนละลายจึงได้ตั้ง อ, อกตั้งใจศึกษาในเรื่องนี้อยู่ในอาการสงบหน้าเสียดายที่มีเสียงสนุกสนานตีค้องตีกลองร้องเพลงกันทั้งเต้นทั้งลัมกันอยู่ทางโน้นเชื่อว่า ล, กลูกหลานะหาผู้หลักผู้ใหญ่ไปขอร้องให้เขาหยุดเขาก็คงจะเชื่อ เราอยู่กันทั้งบ้านทั้งเมืองบ้านมีคือมีแปด ล, ลูกมีพ่อมีแม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายคณะพระจา้าพระสงค์ก็มีพระเจาา้าคณะสังฆาธิการผู้หลักผู้ใหญ่ถึงสุดจนถึงท่านเจานา้จาคณะจังหวัดฝ่ายบ้านเมืองมีกำเ น, นินผู้ใหญ่บ้านตลอดทั้ง ก, การเมืองผู้แทนราชฎรในธรรมะคิดว่าคงจะพูกรู้เรื่อง ให้ลูกหลานเขาหยุดละก่อนการตีกระท้องตีกองสนุกสนานร้องราทําเพลงแต่นี่เราก็เชยนี่คืออะไรไม่เคารพกันทางไหนแง่ส่วนบุคคลผู้ตายแล้วก็ไม่ให้เกลียดสถานที่อันเป็นวัดว่าอารามก็ไม่ให้ความเคารพลุสุดจะไปกันใหญ่หมดแล้วงานนี้ก็เป็นงานที่จะมาเผาศพของท่านผู้ที่ล้มหายตายไปซึ่งเป็นพระสง์องค์เจ้าเศรษฐุย้ย ถ้าพระพุทธเจ้าท่านมีพระชนมายุอยู่มาพบอย่างนี้ท่านก็นกองสันหัวเส้ท่านเทศค ง, ง, งไม่เทศดอกเสียงคลองเสียงกลองเพงดิสโก้เทคอยู่ตรงนี้แล้วผูฟังก็จ้องจะฟังอยู่ตรงนี้อาตมาเองก็รู้สึกอาภาพคข้าแค้นในใจพอสมควรตื่นตังใจถึงพระพุทธคุณพระสัตตะดาพระองค์ได้ทรงประทาน คำสอนอังเสิดเลือกทั้งบุคคลผู้ฟังเลือกทั้งสถานที่และกิจกรรมแต่เรานั้นน่าจะได้เข้าใจในเรื่องอย่างนี้วันนี้เรามาในงานศพโดยเฉพาะงานศพนี้ในทางภาอีสานของเราถือกันนากนาันนะว่าตรงไหนมีคนตายบ้านหลังนั้นจะต้องเป็นเฮือนดี ไปนั้นเฮือนดีกันเถอะไปเพาะไปโมเฮือนดีเพาะบุญเฮือนดีโมบุญเฮือนดีทําไมจึงเรียกบ้านคนตายว่าเป็นเฮือนดีเพราะในบ้านหลังนี้มีอะไรดีๆแต่ก่อนมันไม่มีวันนี้มันมีขึ้นมาก่อนที่เราจะเห็นของดีตาเราจะต้องดีหูเราจะต้องดีได้ฟังสิ่งที่ดีจึงเห็นของที่ดีในนี้จึงจะเรียกว่ามีมาเฮือนดี วันนี้เรามางานมาเฮือนดีกันขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ของดีจากบ้านหลังนี้สมกับที่เรียกว่าเงินดีจะมัวประมาท่ามัวสนุกสนานกลั่นอยู่มาศึกษาสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตงานศพนี้ไม่ใช่งานที่เราจะต้องมามัวประมาทกินเหล้าเมายาสนุกสนานกันเหมือนกับงานอื่น ถึงกับขนาดที่คนโบราณเรียกว่าเงินดีพระพุทธเจ้าของเราท่านมากกตสอนพระสองค์เจ้าให้ไปสู่ป่าชาว่าป่าชา่นั้นเป็นดอกไม้เป็นสวนดอกไม้แห่งพระเรียกเจ้าสวนดอกไม้แห่งพระ อ, อรหันต์ทำไมจึงเรียกอย่างนั้นเพราะว่าที่ป่าชาเนี่ยมีของดีเราจะได้ร้ายสิ่งล้ายอย่างที่ป่าชาในสมัยพุทธการ อย่างน้อยพระสงฆ์องค์เจ้าก็ได้ผ้าหอ่อศพผันศพเอาไปทิ้งแล้วพระสมัยโบราณ น, นั้นไม่มีโรงงานทอผ้าไม่มีใครถวายเป็นพื้นผืนท่านก็ไปอาศัยผ้าที่หอ่อศพคนตายไปทิ้งเอามาต้มเอามาตัดนามาเยบเอามาเย็บเพื่อทำเป็นสบองจีวรนในขณะเดียวกัน ทั้งจะได้โปองอนิจังสังเวชอสุภกรรมทานมรณานุสติถึงความไม่สวยไม่งามของร่างกายที่เราหลงร้ายใฝ่ฝันกันนี้และที่เราหลงร้าใฝ่ฝันกับชีวิตที่ยังเป็นเป็นนี่ว่ามันจะต้องตายอย่างนี้จะได้เกิดสังเวชขึ้นมาได้ทั้งส่วนที่เป็นวัตถุได้ทั้งส่วนที่เป็นธรรมะ เพเหตนนั้นในป่าชาติจึงเรียกว่าเป็นสวนดอกไม้แห่งพระอริยเจ้าคนโบราณอีสานบ้านเราก็คงจะเถิดคตินี้จนถึงขนาดเรียกบ้างคนตายว่าเงินดีถ้ามีคนตายทีก็เตรียมข้าวสารไปเพาะไปโมอเตรียมเงินเตรียมทองไปช่วยเขาเป็นพี่น้องบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันย่ามขาดเคินเจ็บเป็นกระเพงผ้ากันได้ ยังเหมือมอและนั่งโมยหอมกันเมียนขาบทรงสวยซุ้มจูบผอมสะการไห้ทรงเทิงทีใครทีมันทีเขาทีเราก็คือโอกาสไม่จะว่าตายทีก็ดีใจจะได้เล่นให้โลกันโดยตำรวจไม่จับถ้าอย่างนี้ก็เหมือนกับจะเยาะเชยเหมือนกับจะอยากจะให้ตาย วันตายพุ่งจะได้เล่นให้รอกันฟรีซึ่งไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธเลยแต่มันก็เข้ามามีในสังคมของชาวพุทธอย่างนี้ตายที่ก็เก็บศพกันไว้นานๆถ้าเป็นพระสงฆ์เจ้าสามปีหมดเงินหมดทองหมดอะไรไปมากม า, กายก่กอห้องแล้วก็ได้กินเหล้า ก, กินยา ก, กันมากๆอบายมุกมากๆ น่าเสียดายชาวพุทธเราจัดงานศพงานบุญงานกุศลกันนั้นไม่เข้าใจงานศพทีอว่าเป็นงานกุศลงานกุศลชาวบรรณกิจไม่ได้ใช้กับว่างานบุญอย่างเดียวเขำไมยังเรียกว่ากุศลคืองานที่จะทําให้คนฉลาดกุศโลภาวะภาวะที่จะทําให้ฉลาดนั่นเองตามปกติแล้วคนเรามักจะมี ความมัวเมาลุ่มหลงเมาตัวลืมตายเมาตายลืมแก่เมาผัวเมาเมียจนลืมพ่อลืมแม่เมาอำนาจยศทาบันดาสักจนไม่เห็นแก่หน้าอินหน้าพรอมหน้าใครทั้งนั้นก็ให้เราได้ใหญ่ได้โตเช่นฆ่ากาันเพราะการเมาชีวิต จึงต้องมาแย่งกันกินแย่งเ่นกันอยู่แย่งคู่กันทิศวะแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตเพราะความเมาถ้าหากจะหยุดคิดให้มันสางเมาซะบ้างวลนิดวลน้อยก็จะกลายเป็นนักปฏิบัติธรรมนักวิปัตนาผู้เห็นแจ้งขึ้นมาแต่เฮนี้เมื่อยังคิด วันธรรมดาคิดไม่ได้วันที่มีสิ่งหนึ่งมาเตือนจิตสกิดใจก็ควรจะได้ช่วยโอกาสเอาสิ่งนั้นอย่าเลื่อชีวิตที่แท้จริงมันจะต้องตายนะั่นเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตสเปสตามริสันติมลนันตังชีวิตังสัวทั้งหลายทั้งสิ้นจกต้องตายเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดลออ ชลังปิปตวามรนังเอวังธรรมมาหิปานิโน่แม้จะมีชีวิตอยู่จนถึงชลาก็ต้องตายเพราะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นอย่างนี้ตามธรรมดาแต่ความเป็นธรรมดานี้มองไม่เห็นก็เลยมามัวประมาทมัวเมา สแสวงหากอบโกยเก็บกรรมเหมือนกับจะกินทีละกระสอบเหมือนจะมีอายุอยู่ในโลกนี้เป็นพันปีแต่เสร็จแล้วเราไม่เกินร้อยปีก็จะต้องตายเราไม่รู้จะเงื่อนไขอันนี้เราก็เลยเมาในชีวิตพอมาเห็นของจริงเห่าคนอื่นก็ตายให้ดูอยู่เหมือนงานศพนี่เราก็ควรจะได้ปงอันนี้จังสังเวชสะท้อนเข้ามาโซ่ตัวเราว่าคนนี้เมื่อก่อนก็เหมือนกับเรา เราต่อไปก็จะมือกับคนนี่ในขณะนี้พราะเห็นว่าคนโบราณจึงเรียกบ้านที่มีคนตายนี่ว่าเฮือนดีไปงานศพที่จะเผาศพเรียกว่าไปเฮือนดีไปทรงสการสังสการะสังสการะไปทรงสการห หมายถึว่าสังสการะสังไปว่าพร้อมสะแระการะไปพร้อมกับการกระทำกาละคือการหยุดการหมุนเวียนของชีวิตนอนแล้วไม่ลุกขึ้นมาอีกเราก็เลยไปพร้อมกับสิ่งนี้ไปดูสิ่งนี้คนโบราณอีสานเรียกตรงนี้บ้านนี้ว่าเงินดีศพตรงนี้เรียกว่ามีบ้านดี เงินดีถึงกับครนาตั้งปริศนาเอาไว้ว่าตรงไหนมีคนตายมีมีศพอยู่โรงศพอยู่ในบ้านคนโบราณอีสานบ้านเราจะจุดเทียนไว้ตลอดแม่ใ้มันมอดมอนัมนดับตัวนี้มอ่อเอาตัม่จุดต่อจุดไว้เพื่ออะไรถ้าหากเราจะมาถามดูว่าจุดไว้ทําไมทําไมจึงต้องมาจดุดทูบจุดเทียนไว้ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนอย่างนี้ไฟฟ้าก็มีอยู่ ถ้าหากเรามองผิวเผินก็จะไม่รู้จักอะไรแต่ในสมัยโบราณ น, นั้นมีความหมายลึกซึ้งจุดเทียนไว้จุดใต้ไว้ไม่ให้ขาดในขณะที่ศพออยังอยู่ในเรือนนั้นเป็นการจุดไว้เพื่อบอกกล่าวหู้ที่ยังเป็นป น, ปนอยู่เบื้องหลังที่มาแล้วให้อย่าให้ตนเองมืด คล้ายๆกับจะจุดไว้เตือนเลยว่าอย่ามืดเดอ้ออย่ามืดเดอ้อมีตาก็ดูเอาหน่อยสิ่งที่นอนอยู่นี่ศพที่นอนอยู่ในลองนี่นอนให้เห็นดูเอาบ้างสิดูบ้างขอให้พิจรารณาดู อย่ามืดเดอ้ออย่ามืดเดอ้อจดไฟไว้ให้ดูว่าเราจะเป็นเช่นนี้เราก็จะหนีสภาพเช่นนี้ไปไม่ได้เราจะตายเหมือนกันอย่ามืดนะ<อ>ทานองเนี้ยพี่ชายจะพูดงี้ปริศนาสอนจิตสอนใจผู้ที่อยู่เบื้องหลังให้แดกคิดเพราะเห็นนั้นเฮือนนี้ยังเรียกว่าเงินดีเงินดี มีของดีให้เห็นแต่จะเห็นของดีต้องตาดีๆมองลึกๆหูดีๆจะได้ฟังเสียงแห่งศีลแห่งคําพระทรงองค์เจ้าคูบาอาจารย์ท่านพูดให้ฟังก็ดีหรือผู้ที่นอนอยู่ในโรงศพนี่กาลังตะโกนเกอกก้องอย่ว่าอย่างนี้เองอย่างนี้เองอย่างนี้เองอ ตะโกนกำลังเทศให้ฟังโยดแต่เรามีหูที่จะฟังหรือไม่ฟังถูกหรือไม่เสียงตะโกนจากลงศพออกมาเสียงแห่งธรรมชาติพระพุทธเจา้าเ้าเรียกว่าเทวะทูตเทวะทูตทูตแปลว่าผู้บอกข่าวเทวะมันจะคำว่าวรระแปลว่าประเสริฐ ผู้บอกข่าวอันประเสริฐให้แก่เราสิ่งที่ประเสริฐก็ที่สูงสุดที่ดีที่สุดไม่มีอะไรจะมารบล้างได้เราไม่รู้จักชีวิตที่แท้จริงว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วในขณะที่เราลืมโยน่นน่ะเหว่าติดทั้งนาศีนางนัยานาง น, น, งนงปป ต, ตะคุงไม่ว่าสัตว์ทั้งหลายจากยืนเดินจกนั่งจกนอนโยก็ตาม อืชีวิตสังขารความตายหาลืมหาประมาทไปกับมนุษย์ผู้ยืนเดินนั่งนอนโยก็หาไม้ยืนอยู่ลาจะลืมว่าจะตายนั่งอยู่นอนอยู่ลาจะลืมแต่ความตายอันเป็นขวความจริงอันเป็นสัจจะที่ประเสริญนั้นไม่ลืมเราไม่ลืมเราตามเราอยู่ทุกขณะเลยเพราะเห็นนั้น เมื่อตัวจริงเรื่องจริงบุคคลพูดตายจริงๆนอนอยู่ให้เราเห็นตายให้เราเห็นแล้วก็คล้ายๆกับผู้นี้เป็นผู้บอกข่าวอันประเสริฐความจริงนี้ให้แก่เราเรียกว่าเ hey, ทวทูตเพราะเหตุนั้นในโลกนั้นนะกำลังบอกข่าวกาลังตะโกนโวกโว ก, กว น, นี่ดูเอาดูเอาเราเป็นอย่างนี้ นี้สภาพเช่นนี้ไปไม่ได้ทุกคนอย่างนี้เราก็จะเห็นเทวทูตเพราะเหตุ น, นั่นเหอนนี้เป็นเหอนดีจริงๆมีสิ่งที่ดีอย่างสัทธาทำให้เราเห็นคนโบราณจึงมากราบศพลงมาแล้วก็พูดคาถาไหวเทวทูต ว่าหัมปิโคมหิโมรณะธรมโมหิโมระนังอนติโตเอวังพาวีเอวังอนัตติโตหันทหังกันเลยานังกรโรมิกายเยนะวะจามณะสานี่เป็นคําไหว้ศพของคนโบราณแต่คํานี้จะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจศักดิ์ไปว่าอํานาจสิทธิความสําเร็จศักดิ์ศรีก็ไปว่าอํานาจอันนาไปสู่ความสําเร็จ สำเร็จกิจนั้นเ่อผู้ภาษาบาลีอยู่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายยังไม่นำไปสู่ความสำเร็จความเข้าใจเป้าหมายนั้นเพราะเหต น, นั้นเราจะมาไหว้ศพบการบ่อยๆก็ยังไม่ได้รับประโยชน์ถ้าหากเราไม่เข้าใจคำนี้คำนี้ไม่ใช่อา จ, จมากล่าวขึ้นมาลอ ย, เ, ลยเป็นคำพูดคำกล่าวของพระพุทธเจ้า ซึ่งท่านตรัสเรื่องนี้คำนี้แก่ภิกษุทั้งหลายที่เชตวันมหาวิหารเมื่อพระองค์ยังมีพระชนมายุอยู่มีจารึกหลักฐานไว้ที่อุปริ ป, ปนาสมัจิมานิกายพระไปตปิฎกเล่มที่สิบสี่ข้อที่ 500, ห้าร้อยหกหน้าที่สามร้อยสามสิบห้ามีคำกล่าวเรื่องนี้ ว่าพระพุทธเจ้าพระศาสดาวันหนึ่งเย็นๆที่เชตวันมหาวิหารมีภิกษุล้อมหน้าล้อมหลังในธรรมสภาพระองค์ได้กล่าวว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังให้ดียังใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือน มีบ้านอยู่สองหลังอยู่คนละฝากทางมีประตูตรงกันมีบันไดตรงกันหน้าต่างตรงกันหันหน้าเข้าหางกันอยู่คนละฝากทางสองข้างทางมีบุรุษผู้ตาดีคนมีจักษุตาดีคนตาดีพวกง่าด้มายืนอยู่ตรงกลางระหว่างบ้านสองหลังกลางถนนนั้น ยอมมองเห็นคนขึ้นคนลงคนเข้าคนออกทางประตูนหน้าต่างทางบันไดของบ้านหลังนั่นฉันใดเราผู้มีจกักษุล่วงส่วนจกักคุรรมุษมนุษยธรร ม, มดาเรายอมเห็นสัตว์นี้เกิดอยู่สัตว์นี้ตายอยู่ไปสู่ที่เลวที่ปานิทไปสู่นรก ไปสุรกายสเดรชานไปสวปรรค์สู่พรมโลกเปนไหนก็ตามเราย่อมเห็นเหมือนคนตาดียืนอยู่ตรงกลางระหว่างบ้านสองหลังนั้นที่สุดท้งหลายเมื่อมนุษย์ทางหลายตายไปบุคคลผู้ทําชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนายนิรยาบาลจะจับบุคคลนั้น ก่อนที่จะนำไปลงโทษในนรกก็ดีลงทันลงกรรมกรอย่างไรก็ดีนำไปแจ้งแก่นายนิรยาบาลว่าข้าแต่พระองค์กระผมจะได้นำสัตว์นี้ไปลงโทษตามอัตภาพตามกรรมของเขา สัตว์นี้ไม่เลี้ยงแม่ไม่เลี้ยงพอ่อไม่เลือกเฟื้อสมณพราไม่เคารพโคบาอาจารย์ไม่ทำบนททำทานประพฤติชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ผมจำเป็นจะต้องเอาสัตว์นี้ไปลงโทษลงทันเมื่อสัตว์เหล่านั้นได้ยินคำกล่าวอย่างนี้ก็ร้องไห้ขึ้นมา อย่างแสนจะเป็นทุกข์ปริเทวนาการหวาดกลัวต่อคำพูดซึ่งอนาคตอันใกล้นี้ตนเองจะต้องไปถูกลงโทษคำกล่าวนี้ท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ยินได้ฟังบ้างพันเอกสนจินตรัฐผู้ที่ตายไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้เพื่อนฟังสองครั้งสามครั้งไปเห็นสวรรค์ไปเห็นนาโรก ไปเห็นที่อยู่ของตนเองบนสวรรค์แล้วก็ชื่นชอบไม่อยากกลับมาแต่ก็ยังไปเห็นเพื่อนที่เป็นทหารด้วยกันนั้นนอนตายเรียงรายกันอยู่สิบสามคนทั้งๆที่เขายังไม่ตายแต่ทางโน้นบอกว่าตายแล้วแกก็มาเล่าให้ฟังว่าต่อไปคนนี้จะตายต่อมาคนนี้ต่อมาคนนี้ต่อมาคนนี้จนถึง คนที่สบสามคนที่สิบสี่ก็คือผมก็ไม่เกินเดือนสิงหาข้างหน้าไปน้านี้บางคนเชื่อก็รีบทำบุญสุนทรทานแต่บางคนไม่เชื่อก็ดูถูกหาเรื่องหาราว่าแกกันแต้งให้หมดกําลังใจในการทำงานกลัวจะได้เด่นได้ดีเกินไป อะไรทำนองนี้แต่สุดท้ายแล้วก็ตายไปทีละคนซ่องคนดังที่แกกล่าวคํากล่าวคําพูดที่เล่ามาเห็นนรกอย่างโน้นเห็นสวรรค์อย่างนีงนสนงน้สัตว์ที่ตายไปแล้วร้องไห้ไปผู้ที่ไม่ทำคุณงามความดีเป็นทุกข์ยิ่งกว่าคนที่ยังเป็นตนอยู่เบื้องหลังส่วนผู้ที่สร้างคุณงามความดีอย่างแกแกบอกว่าไม่กลัวเลยความตายยิ้มไปเพราะสิ่งที่ดีที่งามรอคอยอยู่โน่น คำกล่าวนี้กับพระไตรปิฎกเรื่องเทวทูตโสดนั้นเป็นลักษณะเหมือนกันทีเดียวเหมือนกันถ้าหาควันเอกสนะได้อ่านพระไตรปิฎกเรื่องนี้สูตรนี้แล้วเอามาฝันต่อในขณะที่ตาย ก็คงจะเป็นสิ่งที่ไม่เหลวไหลจนเกินไปถ้าหากแกไม่ได้อ่านในเรื่องนี้แกพูดอย่างนี้ด้วยความเห็นประสบการณ์จริงในขณะที่ตายไปนั้นคํากล่าวก้องประสาทตดาในสดนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันรับรองได้อีกเหมือนกันข้อเหตุ น, นั้นเมื่อสัตว์ตั้งร้ายร้อ ง, องห่มร้องไห้ ได้ยินข่าวคำพูดระหว่างนายนิรยบาลกับยมพบาลพูดกันมันมีสองบาลอันหนึง่งนิรยบาลผู้รักษานารกหนึ่งยมพบาลพระยายมพู้เป็นหัวหน้าควบคุมทั้งหมดใครๆก็เป็นพวกคุมคุกแล้วก็สัตดีผู้คุมคุกนอีกทีหนึ่ง ขอให้ท่านตัางหลายได้เข้าใจอย่างนี้สารนั้นก็หวาดกลัวร้องห่มร้องไห้แต่นายย่อมพบานนั้นก็ปลอบใจด้วยถ้อยคาไพเราะอ่อนหวานปากหวานว่าโอ้ยพ่อเอ้ยพ่อมหาจำเริญแม่เอ้ยแม่มหาจำเริญ น, นี่ถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้ชายก็บอกว่าพ่อมหาจำเริญลาเอ้ยคาเพลงอย่าห่องอย่าห้ ยังไม่ได้ตกนรกเดี๋ยวนี้ดอกยังไม่ได้ตกเดี๋ยวนี้เจ้าทำใจดีๆไว้ฉันก็ถามหน่อยบางทีฉันถามแล้วท่านอาจจะไม่ตกนรกก็ได้นี่ก็ตั้งใจฟังก็ถามว่าพ่อเอ๋ยพ่อมหาจำเริญแม่เอ๋ยแม่มหาจาเริญเมื่อเจ้ายังเป็นมนุษย์ เป็นผู้ใหญ่แล้วมีสติแล้วตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่ง่อยเปียดเสีย้าไม่เป็นคนจิตวิป ร, ราชกายวิป ร, ริตจิตวิป ร, ราชอยู่เจ้าเคยเห็นเทวทูตไหมคนเหล่านั้นสรานั้นบอกว่าไม่เคยเห็นแล้วก็ถามตัวเจ้าเคยเห็นคนเกิดไหมตัวแดงๆนอนแบบบอ คนนั้นก็บอกว่าเห็นเจ้าเคยเห็นคนแก่ไม้หนังเหี่ยวย่นเดินยักแยยักยันฟันมีแต่เงือกเส้นเส้นผมขาวฟพลนไปเนี่ยเจ้าเห็นไหมคนนั้นก็บอกว่าเห็นถามตัวว่าเจ้าเคยเห็นคนไข่เจ็บปวดปริเทวนาการนอนร้องควรคางอยู่ดินลนกระเสือกกระสนเจ้าเคยเห็นไหมเขาก็บอกว่าเคยเห็น เจ้าเคยเห็นคนตายที่เขาหามไปเผาไปฝังไปเผาในเชิงตะกรไม้ญาตร้องอกชกหัวร้องให้ตามตีอกชกหัวนั้นสารีบอกว่าเห็นแล้วประยาโยงก็บอกวันนั้นแหละคือเทวทูตฉไหนเล่าเจ้าจึงบอกว่าเจ้าไม่เห็นโอ้เห็นเมื่อเห็นแล้วก็ถามแต่ว่าเมือ่อเจ้าได้เห็นเทวทูตเห็นคนตาย ตอนหน้าต่อตาในบ้านหรือว่าในเชิงตะกอนที่จิ ก, กาทานจะมีความคิดความเห็นอย่างไรสัตว์นั้นก็บอกว่าไม่ได้คิดอะไรครับพเจ้ามัวประมาทไม่ได้คิดอะไรโอ้ทาไมเจ้าจึงไม่คิดว่าเจ้าก็จะตายอย่างนี้ทําไมเจ้าจึงไม่คิดจะสร้างกลงงามความดีในเมื่อเทวทูต ข่าวอันประเสริฐก็บอกตักเตือนเจ้าอยู่ฉไหนเจ้าจึงมัวประมาทเล่าไม่สร้างคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจฉไหนเจ้าจึงสร้างแต่กรรมชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจฉไหนเจ้าจึงไม่เลี้ยงแม่เลี้ยงพอ่อฉะนนเจ้าจึงไม่เคารพครูบาอาจารย์ฉไหนเจ้าจึงไม่เอื้อเฟื้อสมณพามถวบนซุนทรฐทานเล่าโอ้ เจ้ามัวประมาตาเจ้าไม่บอดเจ้าก็ไม่มองดูสิ่งที่ไม่สิ่งที่ประเสริฐหูเจ้ายังไม่หนวกเจ้าก็ไม่เอียหูฟังสิ่งที่ดีที่งามมีบุคคลผู้เป็นสาวกของประสาทสดาหรือของประสาทสดาแสดงทำอยูอ่ในเบื้องต้นทำกลางที่สุดงดงามพร้อมทั้งอัตถะประยันชนะทั้งเหตุทั้งผลชนะเจ้าจึงทําเหมือนคนหูหนัว โอ้หลังจากนั้นพระยาหยมก็บอกว่าพ่อเอ๋ยพ่อมหาจำเริญแม่เอ๋ยแม่มหาจำเริญไม่ใช่ผมพอ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่พี่น้องวงศาคณะญาติไม่ใช่มิตรไม่ใช่อามาตย์ไม่ใช่เทวดาพระยาหยมที่ไหนจะเอาเจ้าลงสู่นรกก่อนในเมื่อเจ้าทำกรรมชั่วของเจ้าเอง เจ้าก็ต้องรับกรรมชั่วนั้นาการกระทาของเจ้านั่นเองจะต้องนําเจ้าไปสู่นรกข้าก็ช่วยอะไรเจ้าไม่ได้พ่อเอ๋ยพ่อมหาจำเริญแม่เอ๋ยแม่มหาจำเริญแม่จงไปรับกรรมของแม่เถิดวันแล้วก็ส่งให้หนายรยาบาลลากบุคคลเหล่านั้นเป็นลงโทษโยนลงในนรกตัดตีนตีนมือตัดหู แต่จะโมกอะไรก็ว่าไปเมื่ อ, อ, อมาในพระไตรปิฎกทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องกก่าไว้ในพระไตรปิฎกซึ่งพระศาสดาเล่าให้ฟังเทงนี้ในลนักษณะตรงกันข้ามก็คือคนดีคนดีได้สร้างคนงามความดีเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเคารพครูบาอาจารย์เ อ, อื้อเฟื้ อ, อสบูชาสมณนะพามทำบุญสุนทรทาน บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ประมาทก็จะได้นําขึ้นไปสู่สวงสวรรค์ในขณะเดียวกันก็มาแจ้งความต่อพระยาโยมว่าสัตว์นี้เลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเคารพครูบาอาจารย์เอื้อเฟื้อบูชาสมณะพาหมณ์ทำบุญสุนโทรทานประกอบคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจข้าพระเจ้าจะเอาสัตว์นี้ไปขึ้นสวรรค์ สารนั้นก็ยิ้มเย้มดีใจแต่พระยายอมก็บอกว่าช้าก่อนขอให้เราได้ถามก่อนก็เอามาถามเมื่อมาถามสมบรวร์เมื่อท่านยังอยู่ในเมืองมนุษย์นูน้นตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่ง่อยเปียดเสียขากายไม่วิปริต จ, จิตไม่วิปราสมีสติอยู่เป็นผู้ใหญ่แล้วท่านเคยเห็นเทวทูตไหม แต่และนั้นบางครั้งก็บอกว่าไม่เคยเห็นก็ถามว่าเห็นคนเกิดไหมคนแก่คนเจ็บอยู่ในโรงพยาบาลคนตายในเชิงตะกอนกำลังเผากําลังอยู่ในบ้านไปงานเฮืนดีอยู่นีน่เคยเห็นไหมคนนั้นก็บอกว่าเคยเห็นแล้วพระยาหยวดัดนั้นแหละคือเทวทูต ผู้บอกข่าวอันประเสริฐจาทำไมจึงบอกไม่เห็นโอ้ไม่รู้จักชื่อแล้วก็ถามวันในขณะที่เจ้าเห็นคนตายจะมีความคิด<ช>อย่ายงไรว่างในเมื่อจะเห็นคนตายจะมีความคิดอย่างไรฮีันนั้นบุคคลนั้นก็บอกว่าเวลาใดที่ข้าไปเจ้า ได้เห็นคนตายเวลาใดที่ข้าพเจากได้เห็นคนเกิดในเวลาใดที่ข้ประจา้าได้เห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยร้องโอดโอยควรค้างอย่างอยู่ในโรงพยาบาลข้าพเจ้ามีความคิดอยู่เสมอว่าวันหนึ่งเราจักเป็นอย่างนี้โอ้ชีวิตของคนของสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้ธรรมดาเนาะนี้สภาพอย่างนี้ไปไม่ได้แม้เราเองก็จะเป็นอย่างนี้ เมื่อข้าพเจ้าคิดอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าก็คิดว่าวันนี้ยังไม่เป็นจะรีบทำาุุณงความดีด้วยกายด้วยวาจา้ดยใจก่อนที่จะเป็นอย่างนี้ขาอาภัยอันนี้เป็นภาษาบาลีเขาพูดเป็นภาษาบาลีที่สับทั้งหลายได้กล่าวกับพระยาดยมยังพอเห็นคนตายสัตว์ลนั้นก็บอกว่าข้าพเจ้า ม, มีความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้ว่า อหมปีโคมหิมรณธรรมโมหิ ม, มรณนังอนันติตโตเอวังพาวีเอวังอนันติตโตหันทาหั่งกัะยาญานังกรโรโมิกาเยนวาจามนัสสาซาเราจะมีความคิดอย่างนี้แปลว่าโูลเรามีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้เนาะ เราจะหนีความตายไปไม่ได้เราก็จะเป็นอย่างนี้นีสภาพอย่างนี้ไปไม่ได้เราจะตายเหมือนกันกับผู้ที่กาลังนอนตายอยู่ในโรงสอบนี้เมื่อมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วข้าพเจ้ากอบคิดต่อไปว่าหันทาหังกัะยานังกะโรมิกาเยนวาจามนาัสสาข้าพเจ้าจะรีบทำคุณงามความดีเอาเธอเราจะรีบทำคุณงามความดีก่อนที่เรา จาตายทําคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก่อนที่จะตายไปพอตายแล้วจะไม่มีโอกาสทํานิสันทันสาธุชนทั้งหลายลองคิดดูเถิดว่าคํากล่าวนี้ไม่จะเป็นคากล่าวเพ้อฝันเลื่อนลอยหากจะเป็นคํากล่าวที่พูดออกมากับตนเองในใจตนเองเตือนจิตสะกิจใจไม่ให้ประมาทเพราะคุณงามความดีทั้งหลายนั้น จะเกิดขึ้นได้ด้วยความไม่ประมาท้าไม่ประมาทซะอย่างเดียวว่าโอ้เรายังไม่แก่มไม่เท่าเรายังนมยังน้อยหรือว่าเราจะไม่เป็นอะไรถ้าประมาทอย่างนี้มันก็ประมาทเรื่อยไปไม่มีโอกาสสร้างคุณงามความดีเพราะเห็นนะัะคาถานี้เรียกว่าคาถาเทพทูตร <c oughs> คนโบราณเมื่อมีผู้ใดใครผู้หนึ่งตายไปพวกผู้เท่าที่เคยบวชเป็นทิศเป็นอาจารย์เป็นบัณฑิต ก็มักจะเขียนคาหาอันนี้ใส่ลงไปในกระดาษเป็นตัวธรรมเป็นตัวค้อมจะเป็นผ้าอิสานแล้วก็เขียนเขียนอย่างคําว่าหัมปิโคมิมรณะธรโมหิมรณังอนัตติโตเอวังภาวีเอวังอนัตติโตหันตาหังกรลายาณังกรโรมีกาเยนะวาจามนาัสสาแล้วก็ใส่ลงไปในปากของคนตาย เสร็จแล้วคนเป็นในขณะที่มาไหว้มากราบศพก็จะพูดคํานี้อีกเหมือนกันแต่ในสมัยนี้คงจะลืมกันหมดแล้วคงจะไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยใส่ใจกันก็นมากันเหมือนกันเพียงแต่ใส่ชุดดําๆใส่ชุดดําๆไว้อะไรแก่ผู้ที่ล้มหายตายไปความจริงนั้นควรจะได้ไว้อะไรแก่ตนเองไว้อะไรแก่ตัวเราที่ยังไม่ตายส่วนผู้ที่ตายแล้ว ก็จะต้องไปตามกรรมตามบุญที่ตนเองได้กระทำไว้ถึงจะแสนอะไรแค่ไหนก็ช่วยอะไรไม่ได้มันจะต้องมาอะไรตนเองอะไรทั้งชีวิตนี้ว่าเรานี้ชีวิตที่มีโยได้ทำอะไรไว้แก่โลกไป็นสัง่งคนงามความดีเป็นเครื่องมือที่จะพาหันะก็ดีเป็นสเบียงก็ดีที่จะเดินทางต่อไปทางหน้าหรือยัง ในที่คนโบราณบอกว่าเที่ยวทางกวงหายหาห่มบังหัวไปทางไก่ไทยทงให้มีพผอมเที่ยวทางเวืร์ง ห, หายหาทิ้งบังไงไซหนาไหวเต็มบังกังค่อยไปความจริงนั้นทั้งทางกว้างทั้งทางไกลทั้งทางเวิ้องทางอ้อมทั้งหมด น, นั้นมันหมายถึงการเดินทางของชีวิตที่จะต้องตายเกิดเกิ ด, ก ด, ต, ากดตายเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นทํากลางที่สุดนี้ เกินมาแต่ละครั้งก็เหมือนมาค้าขายเหมือนมาค้าขายต่างแดนมาค้าขายทางเรือทางทะเลสูกก่เกาะแตงสู่ต่างเมืองได้กําไรบา้างขาดทุนบ้างถ้าค้าขายเป็นก็ได้กําไรถ้าค้าขายไม่เป็นก็ขาดทุนย่อยยับเกินมาทีก็เหมือนมาหากําไรใส่ชีวิตเพื่อจะเดินทางต่อไปหนึ่งควรจะต้องมีร่ม กั้นกลางไม่ให้เกิดแดดเกิดฝนมากระทบสองจะต้องมีสเสบียงเดินทางข้าวป่าอาหารเครื่องอยู่ของกินสามจะต้องมีน้ำมีท่าที่จะอาบแต่กินมันกินแต่ข้าวไม่ได้คนโบราณบอกว่าเที่ยวทางกวางให้หาห่มบางหัววัฒะสงสารอันกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีที่สุด ตราบใดที่เรายังไม่จำแจ้งซึ่งอริยสัจธรรมความจริงของชีวิตทั้งชีวิตที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดนี้มีความจริงมีความลี้ลับอยู่ในตัวความจริงที่เราไม่รู้จักมันเมื่อไม่รู้จักมันมันก็ต้ององเดินทางท่อ ง, ทองเที่ยวไป อ, อย่างเนี้ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายที่พระบาทท้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคกล่าว ให้แก่ภิกษุทั้งหลายฟังในมหาสติประธานสุกก็ดีอยู่ที่อ่ะที่นันก็ดีเมื่อจะกล่าวถึงอริยสัจท่านก็บอกภิกษุทั้ ง, งหลายเราและเธอทั้งหลายเพราะเหตุแห่งความไม่รู้เพราะเหตุแห่งอวิชชาความไม่รู้เราและเธอทั้งหลายไม่รู้แจ้งชัดในอริยสัจธรรมนี้เราและเธอทั้งหลายจึงต้องท่องเที่ยวไปเป็นอันเนกาชาติในวัฏสงสาร ไม่รู้จักจบจากสิ้นเพราะไม่รู้จักความจริงในมื่ยังไม่รู้จักจบจากสิ้นนี้ก็ประกันไว้ก่อนว่าเราจะไม่ต้องเดนลกเป็นเปรตและสุรกายสัเด็จและฉานสภาพที่ต่าซ้ำที่จะทาให้เราช้าลงไปอีกอก็เลยต้องหาสะเบียนหาล้มกันก้นกลางพร้อมกันนังเกาะหาน้าหาทาสินนั่นเป็นหมกังขันอยู่ใหญ่บังหัว มีสินควบคุมความปกติของกายของวาจาหลังจากนั้นก็นมีทานทานนั้นเป็นสะเบียงทานนั้นเป็นตะเบียงไทยถงมีพร้อมภาวนาให้ในใจตักหนามเติมสร้างคุณงามความดีทางจิตใจโดยการคิดการพินิจพิจารณาศึกษาสะดับตรับฟัง อบรมจิตใจด้วยการทำให้มันมีสมาธิมีสติปัญญาขึ้นมาอย่างนี้เรเรียกว่าตักน้ำใส่กระ บ, บอกกระ บ, บงังเวลาใดท่านประกาศอบรมสมาธิภาวนาเั้านายก็ตามมีครูบาอาจารย์หมั่นเข้าไปหาไปฟังสดับศึกษาควรจะทำจิตใจอย่างไรมีเทคนิคอย่างไรที่ทำให้จิตใจของเรานี่สงบลง ี ใ, ใจของเราสว่างสวัยด้วยสติปัญญาอย่างนี้ก็เรียกว่าเราได้ทั้งสามอันสะสมเลยทั้งศีลทั้งทานทั้งสติปัญญาอันนี้ที่คนโบ ร, ราณท่านบอกว่าเที่ยวทางเวิร์กไ ห, ห้าหอมบางคัวเที่ยวทางไก่ไทท้องมีพอม่อเที่ยวทางกวงางหาหอมบังหัวเที่ยวทางไก่ไทท้องแค่มีพ่อม จะทางเวิรงหาทิ่งบังไงใส่น้มไวเต็มบังจังคอยไปส่วนมากเราไม่ค่อยจะสนใจกันเท่าไรเมื่อไม่มีความสนใจก็เกิดความประมาทขึ้นมาเมื่อประมาทแล้วไปพบสิ่งใดสิ่งหนึง่งซึ่งเป็นความจริงอันมองเห็นได้ชัดเจนอย่างเห็นคนตายอย่างวันงานศพหรือไปเยี่ยมใครสักคนหนึ่งในโรงพยาบาลไม่จะเห็นคนเดียว เห็นคนเป็นโรยๆนอนโคลนค้างอยู่โรงพยาบาลให้น้ําเกลือพะลุงพะรังให้ออกซิเจนเอาเดี๋ยวก็หามไปแล้วเราก็น่าจะได้คิดนั่นจึงเรียกว่าเทวะทูตเทวะทูตผู้บอกข่าวอันประเสริฐเราจะมามัวให้เขาเขียนยัดใส่ปากให้ตอนตายแล้วอันนี้เป็นปริศนาคนโบราณอาทิตย์อาจารย์ทั้งหลายเขียนใส่ปาก เป็นคาถาเทวทูตจัดใส่ปากบอกว่าเอาไปตอบคำถามของเหล่านายพญาหยมนิยมพะบาลมันจะตอบได้ยังไงตอนเป็นๆก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยความจริงนะั้นเป็นความหมายปริศนาบอกว่าหังโง่นักตายมาจะได้เขียนใส่ปากอย่างนี้แล้วมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็เหมือนแผ่นกระดาษเปล่าๆตนเองไม่มีเงินฝากธนาคาร เราจะมาเขียนเช็คให้คนอื่นเข้าไปเบิกมันก็เป็นเช็คเด้งกันมาดีไม่ดีติดคุกติดตารางไปในตัวนีนพวกเช็คเด้งเขาเห็นนั้นการที่จะมาเขียนคาถาเทวทูตใส่ปากแบบคนโบราณ น, นั่นมันเป็นความอ่าที่ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกอืแต่เป็นปริศนาสอนธรรมะผูดอย่างเป็นเป็นยังไม่ตายให้มีความสนใจ ว่าการเขียนนี่มันคืออะไรอะไรอยู่ในนี้ถ้อยคำนี้มันหมายความว่าอย่างไรถ้อยคำนี้ก็ดังกล่าวแล้วคือเราจะต้องพบเห็นแต่ละครคนตายก็ดีคนอยู่ในโรงพยาบาลก็ดีคนเกิดก็ดีจะต้องเห็นเทวทูตแล้วก็พูดกับตนเองอะหมปีโคมิมรณธรมโมหิมรนังอนติโตพยาธิธโมหิพยาทิงอนติโตอย่างนี้ ชราธรรโมหิชรังอนติต่อฝุดจะปปล่อยๆเห็นคนแก่จะแก่แกจะยังหรือ่ึงเหงือกแดงๆขึ้นมาก็บอกโอ้ชีวิตนี้มีความแก่นี่เป็นธรรมดาเนาะเราจะหนีสภาพเช่นนี้ไปไม่ได้เราจะเป็นอย่างนี้แล้วจะแก่อย่างนี้วันหนึ่งแล้วจะทำอะไรได้จะมาทําสมาธิภาวนาก็ทําไม่ได้แล้วเอาเธอเราจะรีบ ทำคุณงามความดีด้วยร้ายด้วยวาจาด้วยใจก่อนที่เราจะแก่ก่อนที่เราจะเจ็บไข้นอนทับกองมดุดกองขู่วนอนขี้นอนเยี่ยวนอนอยู่ในโรงพยาบาลไรน้ำกงน้ำเกลือพระลงพลังเราจะทำอะไรได้จะสร้างคุณงามความดีอย่างไรได้พิจารณากันลงไปไม้แต่ความตายนี้อันว่าความตายนี้ก็เป็นสิ่งที่เตือนจิตสกิจใจเราให้เห็น บางคนตายมาตั้งแต่ในท้องยังไม่ได้เกิดซ้ําแต่ไปพาออกโรงพยาบาลต้องไปดูดอะไรออกมาจากโรงพยาบาลอย่างนี้แล้วเราเกิดมาขนาดนี้แก่ขณะ น, นี้จะมามัวประมาทดูใจเล่าถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ประมาทเราก็จะได้สร้างคุณงามความดีเมื่อตายไปพยาโยมถามก็ดีนายรียบานถามก็เทเราก็จะได้บอกตามความเป็นจริงอย่างนี้ พระพุทธเจ้าเขาบอกว่าเมื่อสัตว์นั้นบอกว่าโอ้ข้าพเจ้าเห็นคนตายข้าพเจ้าก็มีความคิดว่าวันนึ่งข้าพเจ้าจากเป็นอย่างนี้นี้สภาพอย่างนี้ไปไม่ได้ถ้าจันนั้นเราจะรีบทําคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจก่อนที่เราจะตายแล้วพระยาหยมก็บอกว่าสาธุไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องญาติโกโหกดีกามิตรอัมมาต เทวดาฟ้าดินที่ไหนจะเอาเจ้าขึ้นสวรรค์แต่เพราะเหตุแห่งตําดีที่เจ้าทําเองเจ้าจะต้องรับกรรมของเจ้าเองแล้วก็ให้นายนเรียาบาลนำศัตว์นั้นขึ้นสวรรค์คํากล่าวนี้มันสอดคล้องกันกันกบคํากล่าวคําพูดของพันเอกสนจินตรัสที่แก่ตายไปแกบอกว่าผู้ที่ทําคุณงามความดีแล้วเหมือนกับมีญาติพี่น้องคอยต้อนรับอยู่ที่โน่น ไปเห็นแล้วก็มีแต่ความชื่นใจไม่แต่ตัวแกเองบว่าไปถึงสวรรค์ น, นู่นไม่อยากจะลงมาสวรรค์ชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดนี้ก็คงจะเป็นปรดิมิตตสวัสดีนับตั้งแต่ชั้นของมนุษย์ขึ้นไปพวกเราทั้งหลายเป็นคนโชคดีมากที่เกิดมาบนพื้นเป็นดินนี้พบพระพุทธศาสนาตาท่านไม่บอดหูท่านไม่มนวกท่านไม่ง่อยเปเสียขา ท่านเป็นคนไม่พิกลพิการตายไม่วิปริตจิตไม่วิปรารท่านควรจะได้ภาคภูมิใจวันนี้เป็นความโชคดีท่านเคยเห็นบ้างหรือไม่คนพิการเป่าแคนขอทานอยู่ในรถในเรือหรือคนคานขอทานตามสถานีขนส่งบอคสอท่านคิดหรือไม่ว่าถ้าท่านเป็นอย่างนั้นท่านจะเป็นอย่างไรท่านจะมีโอกาส เป็นสามส อ, อ, อกสามวาอย่างที่ท่านทำเยออย่างนี้หรือไม่ท่านจะมีโอกาสไปสวัสดิ์บุญสร้างกลมงามความดีได้หรือไม่เดีย๋ยวนี้เป็นโอกาสทุกอย่างที่ท่านจะต้องทำได้ในสิ่งที่มันดีมางามหรือสิ่งที่ชั่วเพราะเหตุ น, นั้นชีวิตที่มีโย น, นี้ไม่ควรประมาทเลยมางานศพ บ, บ่อย ควรจะได้คีดเตือนจิตสกิจใจของตนเองให้ได้พบของดีพบเพื่อนดีนี่ได้พบของดีในทางผ้ากลางเขาก็จุดเทียนไว้เหมือนกันจุดธูปไว้เหมือนกันเวลาคนตายแล้วก็จะไปรดน้ําศพกันแต่พวกเราเวลารดน้ําศพนี่ตาก็ไม่อยากจะมองดูยื่นแต่มือเขาไปรดยิ่งขึ้นไปรดบังกองฟอนหันหน้าไปโน้นมือเทแล้วก็อยากโดดนี้กลัวผีหลอก ความจริงนั้นถ้าเป็นทางภาคกลางเขาให้รถที่มือคนตายภาคอีสาน ร, รถที่หน้าเพื่อจะเป็นการดูหน้ากันครั้งสุดท้ายล้วดูหน้าคนตายว่าเราจะเป็นหน้าอย่างนี้เหมือนกันในวันนั้นแต่เราไม่ค่อยจะดูกันเทน้ำเจ้อกองกระเปิดอ า, าลาารวดอยากจะโดนกองฟอนหนีย่านผีหลอกแต่ทางภาคกลางเอามือยื่นออกมาให้รถน้ำศพลงไปที่มือ เพื่อจะได้พิจารณาเราเข้าใจว่าการลดน้ำนั้นเป็นการขอโทษขออภัยกันไม่มีเวรมีภัยกันความจริงก็ถูกดอก์แต่มันไม่ถูกมากถูกน้อยน้อยความจริงการรดน้ำศพที่มือนั้นเพื่อเป็นการให้คนเป็นเราได้คิดได้เห็นประมือคนตายนั้นซูบซีแล้วก็แบ่มือราอยอย่างนี้ซึ่งมันไม่เหมือนมือคนที่เกิดมาใหม่ เด็กตัวแดงๆเกิดมาใหม่ๆกำๆกำปั้นมาตั้งแต่ในท้องเกิดมานั้นมีกรรมเฮ้ยพเกิดมามีก ร, รมไม่มีใครเกิดมาที่จะแบมือนอกจากพระเวสสันดรเกิดมาและแบมือเกิดมาไม่เอาไม่กอบไม่โกยไม่เก็บไม่กำแต่พวกเรานี่เกิดมากำกำปั้นจอ่อจะยังไงก็ตามดูแลก็พยายามแบสบังเดี๋ยนี่กำจะกรอบจะโกยจะเก็บจะกำรรจะกินจะโกง นีเป็นอย่างนั้นเกิดมาเพื่อกำเพื่อกินเพื่อกามเพื่อเกียรติยศศักดิ์ศรีคนที่มีโอกาสเรื่องกามก็จะกอบโอยเอาเรื่องกามให้มากๆคนที่มีโอกาสเรื่องกินก็จะกอบโอยกินมากๆากกำมากมากคนที่มีโอกาสเรื่องเกียรติยศศักดิ์ศรีเป็นนักการเมืองเป็นไรก็ไม่รู้จักอิ่มเหมือนกันจะกอบโอยเป็น ซอจอไม่พอต้องเป็นซอซอเป็นซอ ซ, อ, ซอไม่พอต้องเป็นรัฐมนตรี mm. คีดไปคิดไปชีวิตเต็มด้วยการกอบโกยเก็บกำไรเท่าไหร่ก็ไม่พอจะกอบโกยเก็บกำไรร้อยล้านพันล้านก็ยังเป็นทุกตนกนรกติดแอเป็นเปรตติดแอร์อสุรกายติดแอรร่าร้อนใจติดแอร์อสุรกายติดแอหวาดกลัวอยู่ไปไหนมีเงินร้อยล้านพันล้านต้องจ้างมือปืน เป็นฟุงฟ้งๆเป็นใครโยงทั้งหมดนั่นคือความหวาดกลัวหาอะไรเป็นความสุขใจไม่ได้กลัวเพราะทรัพย์สมบัติที่มันมีมากๆอีกเหมือนกันแต่ในขณะที่กลัวนั่นก็ยังปาถนามากๆที่จะเกาะโกยเก็บกรรมก็รู้อยู่เห็นโทษอยู่เงี้ยแต่เวลาตายท่านทั้งหลายเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองผู้หนี้ผู้เรื่องอํานาจก็ดีไม่ว่าจะเป็นนักบาราชบัณฑิตคนโง่ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีกระดุมที หังเศรษฐีใจบุญทั้งนายทุนหน้าเลือดจะต้องมาตายด้วยกันแล้วก็แบมือใหนือว่านั่นไม่มีแค่กำมือตายแบมือค้ายกับจะบอกจะสารภาพต่อโลกให้ทราบชัดว่าสิ่งที่มีทั้งหมดในโลกนี้ไม่ว่าจะเกียรติยศศักดิ์ศรีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีที่มีอยู่เงินทองเข้าของรถเรือช่างมาบ้านช่องห้องหอฉันยืมโลกมาใช้ชั่วอายุของฉัน บันนี้ก็ขอเวีนคืนให้แก่โลกแบมือสารภาพไม่กรรมอีกเหมือนวันที่เกิดมาเกิดมาเพื่อจะกรรมเพื่อจะกอบจะกกยเอามาใช้มักเวลาตายแบมือเวีนคืนเศร้าเศร้าย่ามาให้ค่อยแต่เราทั้งหลายกยังกลุมเอาไปยัดใส่ปากให้ลักษณะนี้ให้เราได้คิดเดี๋ยวนี้เรายังไม่ไม่แบ่ตอนตายควรจะได้แบ่ตอนนี้ะบัง้งปล่อยวางบ้าง มันจะไม่ได้เป็นโรคประสาทไม่เครียดจะต้องมีความสุขอยู่ในมุมน้นอยๆแห่งหัวใจิี่นั้น่ะตกนรกติดแอเป็นเปรตติดแอเป็นสุรกายติดแอนอนในมุมฟังมาให้ยุ่งกับคอยพูนอนเปื่อยป่าสร้างบ่มียุ่งตองคนบราณบอง สักขโยงขยานขึ้นสังมายืนอยู่ของเต่าสั่งมายืนต่างเถียงของตอข่ำหมากเหมีง่งสั่งเจาะหาบเบาไว้ของนักสั่งเธอได้ไปมาโดยง่ายสั่งมาปากป้อผลเสียงเจาบ่อได้ยินเต้นตายวิ่งเต้นวิ่งเต้นจะเป็นอะไรก็วิ่งเต้นจะได้อะไรก็วิ่งเต้นมีเท่าไหร่ไม่พอวิ่งเต้นที่จะให้มีมากๆสักขโยงขยานเต้นสั่งมายืนอยู่ของเต่ายืนต่างเทียงตายแล้วมันก็เหมือนเก่า กับวันที่เกิดมาคือเก่าก็มึงเกิดบ่อยเงี้ยของตะคําหมากเมี่ยงแังเจ้าหาบเบาไว้ของนักสั่งถือได้ไปมา่โดยไงยของเบาเบ่าคือการปล่อยการวางว่างสบายสบายได้มาเท่าไหร่พอใจเท่านั้นพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้ไม่ดินน้นรนกัดแกงจนเป็นโรคประสาททำกลางความร่ํารวยเป็นวิมานนิกรเปิดเป็นเปรดอยู่บนวิมาน เราทำไม่ทำไม่ได้ไม่นักหนาถ้าหากเราทำไม่ได้วันนี้ก็มาดูตัวอย่างผู้ที่ทำให้ดูว่าวันนี้ทำได้แล้วนอนแบ่มืออยู่ในโรงนี่ตอนนี้เอาเงินให้แปดแฟนล้านไม่สนทั้งนั้นแบ่แล้วถ้าอย่างนี้เราก็จะค่อ ย, อยๆแบ่มือสารภาพความจริงเห็นความจริงขึ้นมาไม่แบ่มันก็ต้องแบ่กรรมมันก็หมดไปเพราะเหตุ น, นั้น ท่านสาธุชนทั้งหลายมาในงานศพนี้ควรจะได้ของดีจากงานศพไปแล้วก็ควรคิดต่อไปว่าชีวิตที่จะต้องเดินทางไปไกลนั้นมีสิ่งหนึ่งที่กำกับการแสดงให้เป็นไปสิ่งนั้นก็คือกรรมการกระทาของเรามันจะติดเนื้อติดตัวไปจนกว่าเมื่อไรจะสิ้นกรรมการแบรธรรมดาในขณะตายนั้นไม่จะสิ้นกรรมเป็นการสิ้นยุติ การดิ้นรนยื้อแย่งต่อแย่งหาชั่วระยะหนึง่งอีกหน่อยมันก็จะส่งผลต่อไป่ห้จะไปทิ่ไหนพระาศาสดากาวาสเพสตามริซันติมรนันตังชีวิตังสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้นจกต้องตายเพราะชีวิตนี้มีความตายเป็นที่สุดรอบ beginning starting by the birth ขออภัยผู้ภาษาฝรั่งเริ่มต้น start ชีวิตด้วยการเกิด สุดท้าย to the end สุดท้ายตายตายชีวิตมีความตายเป็นที่สุดรอบมันเป็นอย่างนี้สลังปิปตะวามะรังเอวังธรรมเมหิปานิโนแม้จะอยู่ได้ถึงแก่ก็ต้องตายเพราะสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปอย่างนี้ตามธรรมดาไม่แก่ก็ตายแต่ถ้าจะดูอยู่ได้ที่สุดก็แค่ที่มันแก่เท่านั้นทีนี้ร่างกายนี่ชีวิตนี่มันอาศัยกันระหว่างชีวิตกับกาย จิตใจกับกายยามังกังนมรูปัญจอโอโะอันโยยะนิสสิตาเอกสมิงพิสมานสปิงโอภะพิชันติปจียาตินามและรูปกายกับใจย่อมอาศัยกันอยู่เป็นของคู่กันเหมือนไฟฉายกับฐานไฟฉายหัวเทียนตัวที่สว่างตาไว้ออกมานั่นคือปฏิกิริยาระหว่างไฟฉายกับหัวเทียนกับฐานไฟไฟที่สว่างตาไว้ออกมานั้น นั่นคือตัวแสดงออกถึงความมีชีวิตของไฟฉายกับเหมือนคนเรานี่เองเมื่อยางใดอย่างหนึ่งแตกสลายทั้งสองฝ่ายก็สลายไปเอาฐานออกมาไฟฉายก็ไม่มีแสงมีแต่ไฟฉายไม่มีฐานมีหัวเทียนไฟฉายตัวฐานไฟฉายก็ไม่มีแสงอะไรเลยพระพูทธิจา้าเปรียบเทียบ ให้เราเห็นชัดเจนขึ้นมาว่าอยิยธาปีอันะตรังพิชังเค เ, เ, เตวุตังวิโรหัติปียบเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หวานลงแล้วในพื้นแผ่นดินย่มงอกขึ้นได้ปัทวีรสัญจะอาคัมมะสิเนหันจะตะูพยังเพราะได้อาศัยรสแห่งแผ่นดินและเชื่อในอยางแห่งพืชนั้นนั้นเอวังขันทาจะธาตุโยฉะจะอาจตนาอิเม ขันทั้งห้าและท่านทั้งหลายก็เหมือนกันแล้วนันบอกนี่ทั้งอายุตนะทั้งหกมีเหมือนกันเฮตุงปฏิจจสมภูตาเฮตุพังขานิรุจเรออาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นได้เมื่อเหตุนั้นแตกสลายก็ย่ำดับไปคํากล่าวเป็นภาษาบาลีมากเป็นหน่อยขาออภัยเพื่อเปรียบเยื่อนท่านได้เห็นต้นไม้ผลหมากรากไม้มะขามมะม่วงที่มันสุกแล้วมันร่วงลงมาจากขั้วจากต้นมันมันตายเนอะ ท่านจะว่ามันเป็นอยู่หรือไม่แต่มันเป็นมันจะตกมันจะหล่นมาทํำไมมันตายขั้วมันก็ตายแล้วยางยิงที่นําไปเลี้ยงก็ไม่ติดกันแล้วยางจากต้นจากขั้วเมื่อร่วงลงมามันแสดงว่ามันตายแต่ในตายนั้นมันซ่อนสิ่งหนึ่งเอาไว้ที่จะเกิดก็คือยางอยู่ในเมล็ดของมันยางอยู่ในเมล็ดของมันนั้นยังมีพอโตมาอาศัยเชื้อจาก ความอบอุ่นอุณหภูมิในแผ่นดินรถแห่งแผ่นดินภาษาบาลีเร้ยว่ารถดินปฐวีรัศจรอาครรมสีเน่หั่น จ, จะตะทูพยังรถแห่งแผ่นดินและเชื่อในอย่างแห่งพืชนั้นนั้นมันอาศัยสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นมาทีนี้เมื่ออาศัยสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็จะเกิดละพลไมเนี่ย เมื่ อ, อย่างมันไม่ถูกขั้วแห้งแต่ขั้วแห้งไปเหมือนข้าวตอกแตกที่หวานในเวลาคนตายพระสวดยอดมุกตามหลังอารมณ์นัปาเจงย่นาป้เจงโยอานันตาลาป้เจยงย่นัป้าเจยโยอยู่เน่นอันนี้หันอธิบายเรื่องการอาศัยกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่รู้จักจบจากสิน้นถ้าหมดปัจจัยมึงก็หมดเองเหมือนกันเดียวนี้จะมีปัจจัยคือมียาง ในพืช น, นี้มีรดแห่งแผ่นดินอุณหภูมิมีน้ามีปุ๋ยมีความเย็นความร้อนพอดีพืช น, นี้ก็งอกขึ้นมาเองเอามะม่วงเอาฝังลงไปในดินเม็ดมันที่ร่วงลงมาจากต้นต้นแสดงว่ามันตายแล้วแต่เอาไปฝังไว้ในดินนั้นได้ที่มันฝนตกมาเดียวมันก็งอกขึ้นมาอันนี้ถือว่ามันเกิดตอนที่มันร่วงลงมาจากต้นนั้นคือมันตายมะม่วงตัวนี้ก็เกิดขึ้นมาอีก คนเรานี่ก็เหมือนกันชีวิตคนก็เหมือนกันทีนีถ้าเกิดมะม่วงนะั้เอาไปคั่วให้แห้งสะอยางใหนมันตายแล้วเอาไปปูในดินรดน้ําปุ๋ยฉ่าน้ําโชกแค่ไหนมันก็ไม่เกิดคนที่หมดอย่างก็จะไม่เกิดสิเนหันจะโตไปอย่างสิเนหาอะไรกันนั่นความห่วงหาอะไรสิเนหาอาวรทั้งหมดนั้นคืออย่าง อะไรต่อความดีเรียกว่ายางทางดีอะไรต่อความชั่วยางทางชั่วพระอริยเจ้าหมดยางหมดสิเนหาสิดีหานี่คืออย่างคนท่านไม่เกิดทำยังไงยังไงท่านไม่เกิดวิญญาณของท่านไม่มีสเสน่หาที่อาศัยใดๆนะจะเมตต น, นิสิตโตวิญญาณั ง, งวิญญาณไม่อาศัยไม่อาศัยอะไรทั้งสิน้นอาศัยดีอาศัยชั่วอาศัย ความพอใจไม่พอใจไม่มีเฉยไปเลยหลุดออกไปจากวางบนนั่นไม่มียางเชื้อต่อกันให้เกิดขึ้นมาเอาันนี้ว่าไปไกลั้งขนาดน้นแต่นี่คนเรายังมีอยู่มันจะต้องเกิดอะไรเป็นอย่างยางดีอย่างชั่วความดีความชั่วนั่นจะนำไปสู่การเกิดและงานตายอีกในครั้งต่อไป พุะพาทธเจ้าบอกให้ตุงปิยสัมภูตาแห่ตุพังคานิรุชเลอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นได้เมื่อเหตุนั้นแตกเป็นหลายย่อมดับไปอย่าท่าหิอังคสัมภาราโหติสะ โ, โธรโทอิติปรีมเหมือนการประกอบชิ้นส่วนของรถเข้าด้วยกันคำเรียกว่ารถก็มีขึ้นได้อันนี้ก็ล้อมันอันนี้ก็ตัวทั้งมันอันนี้ก็ปงมันเปิดขึ้มาอันนี้เครื่องยนต์ของมันจะเอาเครื่องออกมาอันนี้พัดลมของมันดิฟว่าสูบนี่ลูกสูบตรงไหนเป็นรถไม่มี แต่พอประกอบการเข้าอังคสัมภาราประกอบกันเข้าองค์ประกอบมาแฟกเตอร์แต่ละอันอะไรแต่ละอันสแปร์พาร์ชแต่ละอันอามาประกอบกันเข้าก็เลยกลายเป็นรถขึ้นมาเป็นการเรียกว่ารถเอวังคันเทสุสันเตสุโหติสตโตดิสมติเมื่อขันที่ห้ารูปให้ตัง้งโยงเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณในส่วนของเป็นจิต ยังมีอยู่รู้สึกนึกคิดเกินไว้จําได้ไม้รูปอะไรต่างๆพอใจไม่พอใจบุงแต่งคิดได้อะไรหยกรวมวันอยู่ในรูปมหาภูตารูปร่างกายที่ตัง้งคําสมมุติเรียกขานว่าคนและสัตว์มันก็มีขึ้นได้ดิฮันว่าอย่างนี้เพราะเหตุนั้นเมื่อมันหมดเหตุหมดปัจจัยมันแตกสลายเราเรียกว่าตายแต่มันก็ยังมีเหตุให้มันเกิดคือสเสนหาเป็นอย่างของคนเหมือนยางของต้นไม้ มันก็จะเกิดขึ้นมาได้เสนหาเหล่านี้ที่เรียกว่ายางยางของต้นไม้หรือยางของคนมันก็จะติดตามไปเอาต้นไม้ที่มีลูกหวานมะขามหวานมะม่วงหวานเมื่อวูหล่นลงมาแสดงว่ามันมันตายแล้วนะมันจึงหล่นมาจากต้นมันแต่ในขณะเดียวกันมันมียางอยู่ภายในพร้อมที่จะเกิดอาศัยรถแผ่นดินความอบอุ่นความชุ่มชื้นของแผ่นดินมันก็เกิด ในอย่างนั้นถ้าต้นมันหวานมันก็มีอย่างหวานก็เกิดมาเป็นต้นมะม่วงหวานมะขามหวานทามันเปรี้ยวมันมะม่วงสบมะขามเปรี้ยวขึ้นมาในจิตใจของคนคนหนึ่งที่สร้างแต่คนงามความดีและสร้างแต่ความชั่วก่อเวรสร้างกรรมเผาโลกให้เราร้อนนี้มันจะเป็นอย่างเป็นเสน่หาอยู่ในใจเมื่อเขาตายไปสิ่งเหล่านั้นจะตามเข้าไป กลายเป็นคนดีกลายเป็นคนชั่วกลายไปตกนรกกลายไปขึ้นสวรรค์เพราะอย่างนั้นเร่าร้อนด้วยประการต่างๆเกิดที่นรกก็เกิดเพราะความชั่วเกิดสวรรค์ก็เกิดเพราะความดีเหมือนกับต้นไม้ตน้นหวานต้นสม้มมันก็เกิดขึ้นมาใหม่ก็หวานก็สม้มทีนี้มันก็มีปัญหาว่าธาตุต้นหวานไปเกิดในกลุ่มของต้นสม้มมะขามหวานไปอยู่กับมะขามเปรี้ยว ม, มันก็จะกลายเป็นมะขามเปรี้ยวไปด้วยหวานไปด้วยเปรี้ยวไปด้วยนั่งนะั่งเข้ากันเจอ เปลี่ยวไปฉันได้คนเราเกิดมาในตระกูลที่ดีเพราะเขาสร้างคุณงามความดีเหมือนเราท่านดังไล่ตามไม่บอดหูไม่หนวกนี่เรามีบุญนะยางดีมาแต่ก่อนแล้วไม่ได้เกิดมาก็ไม่ได้กินเหล้าเมายาอะไรเกิดมาพ่อแม่ก็ป้อนข้าวป้อนน้ําไม่ได้สูบบุหรี่กัญชายาฟินเฮโรอินทินเนอร์ไม่ได้ดมกงดมกาวอะไรเหมือนก็ดีดบริสุทธิ์อยู่แต่เสร็จแล้วไปพบกับเพื่อนที่ไม่ดีไม่งาม นี่คืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ไดีกลายเป็นคนหัดกินเหล้าหัดสูบุรีกายเป็นคนมุดธุลูกกายเป็นคนที่ไม่เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหมดนั่นคือสภาพเวดล้อมเป็นพิษเหมือนต้นมะขามส้มต้นมะขามหวานทำกลางต้นมะขามส้มก็เลยกลายเป็นต้นส้มขึ้นมาเป็นอย่างนี้เมื่อดังคํากล่าวของคนโบราณในหนังสืออินทรีย์สอนลูกพูดไว้คำหนึ่งว่า หากอยู่ตามกระบวนอ่อยล่ำหวานบ่มีเฟือนขมแล้วเครือเขาห่อมันหักมากกอดเกี่ยวล่ำอ่อยกระจึงขมถ้าอยู่ตามกระบวนเด็กเล็กหรือว่าอยู่กับพ่อแม่ที่ดีงามมันก็อยู่ดีดีเหมือนกับพวกเราเกิดมาอยู่ดีดีดกินข้าวกินปลา